ที่สาลแท่งกรุงเทพใต้วันที่12สิงหาคม2549หนูๆ น, นี่ถือว่าโชคดีกว่าใครๆเพราะว่าได้เข้ามาสวดมนต์ไหวพร้าปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตซาต่อย่างเป็นเด็กๆใ น, นขณะที่เด็กๆคนอื่นนี่เขาไปวิ่งเล่นกันไปเล่นเกมกันนะวันนี้ถือว่าไม่จะถูกพ่อแม่บังคับมาไงก็ถือว่ายังดีฮะ ได้มีโอกาสลงเกิดแบบาครั้งได้มีโอกาสอย่างนี้ยากคนในโลกนี้มีหลายล้านคนมีหลายล้านล้านมีหลายร้อยล้านโอกาสที่จะมาแบบนี้ยากมากพราะพุทธเจ้าตัดว่ายากที่สุดในโลกไม่ใช่ยากยากเล่นๆนะยากที่สุดในโลกการที่หนูๆทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนนี่เพระพุทธศาสนา มีคนสอนทำที่ทําให้ได้บรรลุมผลนิพพานเป็นธรรมหลัำกธรรมคาสอนของพุทธเจ้านั้นพุทธเจ้าตรัสว่ายากที่สุดในโลกไม่มีสิ่งใดยากกว่านี้อีกแล้วสิ่งใดในโลกนี้ว่ายากที่สุดไม่มีโอกาสยากเข้าการได้เกิดเป็นมนุษย์ตัวพุธศาสนามีคนสอนทำที่ทําสําหรับธรรมคาสอนของพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายได้การาบคุนถามพระพุทธเจ้าว่าที่พระพุทธเจ้าว่ายากที่สุดในโลกเนี่ย การที่มีโอกาสตายแล้วพวกท่านตายแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้อีกมาฟังธรรมอย่างนี้อีกมันขนาดไหนที่ว่ายากพระพุทธเจ้าบอกว่าหาที่เปรียบประมาณไม่ได้เลยว่ายากมีขนาดไหนแต่พอที่จะยกตัวอย่างได้ก็คือว่าสมมุติว่าในใต้พ้นท้องสะเลมาหาสมุทรใหญ่มีเต่าตาบอดสองข้างอยู่ตัวหนึ่ง อยู่ที่ก้นท้องทะเลมาหาสมุทรนั่นเลยคนในโลกนี้ทั้งหมดสงสารเมตาเต่าตัวนั้นปรารถนานั้นอยากให้เต่าตัวนั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์ภพุทธศาสนาบ้างก็พยายามโยนห่วงยางที่มีโตขนาดหัวเต่าเพื่อจะไปคล้องเต่าขึ้นมาได้เมื่อไรที่ห่วงยางนั้นที่มันโตขนาดหัวเต่าเนี่ยไปคล้องเต่าตาบอดใน้นท้องทะเลนั้นได้เต่าตัวนั้นจึงจะมีโอกาส เกิดมาเป็นมนุษย์พรุทธศาสนามาฟังธรรมอย่างท่านทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าถามว่าโอกาสที่ห่วงยางเนี่ยมันโยนลงไปในท้องมหาสมุทรซึ่งไม่รู้ว่าเต่าทั้งมันอยู่ตรงไหนแต่รู้ว่ามีเต่าอยู่ตัวในก้นท้องมหาสมุทรเนี่ยโอกาสที่หวงยางจะคล้องหวัวเต่าได้เนี่ยพระพุทธเจ้าตัดถามพระเา่าทั้งหลายว่าท่านว่ายากไหมโอกาสมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยยากมากดังนั้น การที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วปล่อยให้โอกาสนี้มันผ่านเลยไปถือว่าเป็นโมฆะท่านใช้คํำว่าเป็นโมฆะเปล่าวสูญไปสูญไปเสียสิ้นเลยโอกาสนั้นจะกลับคืนมาเป็นคงที่สองนั้นยากจริงๆยากจริงๆดการที่ท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสมาฟังธรรมอย่างนี้ถือว่าประเสริฐสุด บุญกุศลในการที่ท่านได้มาปฏิบัติธรรมฟังธรรมนี้ก็จะเป็นบุญกุศลผลบุญบา ร, รมีติดกิจท่านไปถ้าท่านปฏิบัติไม่สําเร็จในชาตินี้บุญกุศลนี้ที่ท่านได้มาเอามีโอกาสมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสิบหนึ่งในสิบอย่างของบุญสิทประการที่ส่งผลให้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมีโอกาสมาฟังธรรมอีก การที่ท่านได้มีโอกาสมาฟังธรรมนี้มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เป็นบุญหนึ่งในสิบ ท, ที่จะทำให้ท่านได้มีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งหนึ่งนอกจากบุญอื่นๆอีกเก้าข้อเนี่ยดังนั้นท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมนั้นก็ถือว่าโชคดีบุญอื่นอื่นนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าได้แก่บุญในการสร้างทานบา ร, รมีสร้างทานบา ร, รมี ทุกๆคนที่มีโอกาสมาฟังธรรมนี้ต้องเคยสร้างทานบา ร, รมีมาก่อนไม่งั้นไม่มีโอกาสได้มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ต้องเคยสร้างทามบา ร, รมีมาก่อนบุญอันประกาศแรกที่เป็นบุญกุศลนั้นก็คือบุญที่ได้สร้างทานบา ร, รมีมาทานก็คือการให้ให้ที่ท่านให้ออกไปไม่ว่าจะเป็นให้เงินทองให้ที่อยู่อาศัยให้เครื่องหนุ่มที่เก่าๆไม่ได้ใช้แล้ว ให้ยารักษาโรคบริจาคเงินให้แก่วัดวาอารามโรงพยาบาลสร้างโรงยบานถนนหนทางที่เป็นของสาธารณะล้วนแต่เป็นการให้ทานทั้งสิน้นรวมทั้งทั้งให้ข้าวตับบาทตับบาทพระก็เรียกว่าให้ทานให้ับถวายเป็นไตจีวรถวายพระพุทธรูปถวายกุฏิก็เรียกว่าให้ทานแต่ให้กับพระสงค์เรียกว่าให้สังฆทานเป็นสังฆทานก็จึงเรียกว่าทาน แต่บางคนนี่จะเข้าใจผิดว่าเวลาทากับพระเรียกว่าทําบุญเวลาให้กับคนธรรมดาทั่วไปเรียกว่าทําทานความจริงนั้นให้ทานหมดต้องให้พระให้คนทั้งหลายก็เรียกว่าให้ทานหมดแตนะให้ทานหมดก็จึงเรียกว่าสังฆทานคือทานที่ให้กับพระสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆทานไม่เรียกว่าสังฆบุญแต่เรียกว่าสังฆทานนะียให้เข้าใจซะก่อนว่า อันแรกเข้าใจถูกต้องสักก่อนว่าทานคือการให้ให้กับคนธรรมดาให้กับสัตว์เดชานให้กับพระสงฆ์ทั้งหลายให้กับวุฒิเจ้าก็เรียกว่าให้ทานให้ทานทั้งหมดแต่ผลที่ได้รับคือใจเป็นบุญใจเป็นกุศลใจอิ่มเอิบใจเป็นสุขเรียกว่าได้บุญบุญคือใจที่เป็นสุขใจที่อิ่มเอิบซึ่งมีผลเกิดมาจากการที่ได้ทําทานนั้นได้ถวายทานนั้น แล้วทาให้ใจนั้นอิ่มเอิบเป็นสุขนึกทีไหลก็อิ่มใจทุกทีเรียกว่าได้บุญได้บุญแต่ถ้าให้ทานไปแต่ใจเศร้าหมองก็ไม่เรียกว่าได้บุญกลับได้บาปเพราะบาปคือใจที่เศร้าหมองใจที่ไม่ส่องใสเรียกว่าได้บาปไม่ใช่ว่าได้บุญถ้าตรงนี้ก็ใจผิดแล้วก็จะคาดเคลื่อนมากเลยของคนทั้งหลาย อย่างนู้นนู้นี่มาฟังให้กระจายตั้งแต่เป็นเด็กก็ดีมากอย่างเราไปถวายของอะไรหรือไปให้ของเคยฟ้ารถติดไปถวายของกับพระอริยสงฆ์ถวายอาหารท่านตอนนี้ของที่ต่างคนต่างนํามาถวายมันก็มากท่านจัดไม่หมดจัดได้นิดหน่อยมีความรู้สึกว่าบุสาทํามาทั้งคืนคับสันแต่อาหารที่ดีๆ คุณภาพที่ดีๆมากเลยเพื่อจะมาถวายให้ท่านฉันแต่ท่านไม่ฉันของเราเลยจะเงื้อคอดูแลตะกิตอาจารย์หลวงปู่ไม่ได้ฉันเลยเเดี๋ยวจะเงื้อคอดูแลหลวงปู่ไม่ฉันสักทีก็ฉันอย่างอื่นก็ขอมันเต็มหน้าท่านท่านไปแล้วก็เห็นว่าของมันเต็มไปหมดแล้วถ้าจะฉันยังไงหวัดไหวจะเงื้อไปจะเงื้อมาใจมันก็เศร้หมองจิตตกลงตกลงตกลงตกลง ที่สุดแล้วมาถวายทานกับพ่อพระสงแทนจะได้บุญใหญ่กลับได้บาปแทนใจเศร้าหมองทามาเหน็ดเหนื่อยท่านไม่ฉันเลยนี่เรียกว่าใจเป็นบาปใจเป็นความเศร้าหมองใจเป็นทุกข์ใจไม่สบายเรียกว่าใจเป็นบาปไม่ได้ใจเป็นบุญเพราะความไม่เข้าใจบุญนั้นเกิดจากใจเมื่อเราตั้งใจแล้วมันก็เป็นบุญตั้งแต่บ้านแล้ว ไม่ใช่ว่าต้องท่านต้องฉันแล้วก่อนแล้วได้บุญตอนนั้นสมมุติว่าตั้งใจวันพรุ่งนี้หลังจากมาปฏิบัติธรรมแล้วจะทําอาหารดีๆเตรียมข้าวของไปถวายสังฆทานเอาอาหารไปถวายผ้าอริยสง์ตั้งใจอย่างดีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเดี๋ยวหลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จบังเอิญไปเป็นอะไรซะก่อนไม่ทันได้ไปถึง แม้แต่ของนั้นยังไม่ได้ทําแต่ใจตั้งใจไว้บังเอิญสมมตินะนะบังเอิญไปเป็นอะไรสะก่อนไปเจด็จชีวิตซะก่อนกลางทางบุญนั้นเนี่ยเกิดแล้วจับใจไม่ทันต้องได้ไปถวายกับท่านบุญนั้นก็ติดกิจทันทีกิจนั้นเมื่อจะดับปุ๊บนึกถึงบุญกุศนที่ได้ให้นั้นก็ได้สเสวยผลบุญทันที จึงไม่ได้เกิดจากการที่เอาของนั้นปถวายที่มือท่านแล้วจึงเรียกว่าได้บุญหรือท่านฉันอยู่จึงจะได้บุญบุญเกิดจากใจเมื่อใจตั้งใจที่จะทําอย่างแน่วแน่แล้วแม้จะมีอะไรมาเป็นอุปสรรคทําให้เราไม่ได้ไปทําอย่างที่เราตั้งใจก็ได้บุญแล้วเพราะบุญเกิดจากใจเพาะไม่เข้าใจตรงนี้ของคนตั้งหลายนั้นคาดเคลื่อนกันเป็นจํานวนมากเพราะเข้าใจว่าบุญเกิดจากของไม่ได้บุญเกิดจากใจอย่างกรณีของ มีพี่กับน้องช่วยกันสร้างเจดีย์ถวายเป็นพุทธศาสนาถวายพุทธบูชาก็ช่วยกันสร้างสร้างไม่เสร็จทั้งพี่ทั้งน้องตายก่อนในขณะที่ตายทั้งพี่ทั้งน้องใจเศร้าหมองว่าเราสร้างเจดีย์ไม่เสร็จเสียดายมาตายซะก่อนเกิดความโศกเศร้าเสียใจว่าเราสร้างเจดีย์ไม่ทันเสร็จเลยมาตายซะก่อนตายไปก็กลายเป็นผีเศ้าเจดีย์นั้น ต้องพี่ทั้งน้องร้องให้ทุกวันมีความทุกโศกเศร้าติดจิตไปที่ตายแล้วไม่ใช่คนทุกข์นะถ้าในขณะก่อนตายมีทุกข์ตายแล้วก็ยังไปเป็นทุกข์อีกเพราะความทุกข์นี้ติดจิตไปก็ไปร้องให้โศกเศร้าเสียใจยอยู่ข้างเจดีย์ทุกวันทุกวันถึงข่าวคงจะสิ้นกรรมบุญคงจะส่งผลหลวงโปูมั่นผูริชัโตซึ่งเป็นผ้าหลานว่าเจริญใหญ่มีลูกศิษย์เป็นผ้าหลานจํานวนมาก มีญาณใหญ่สามารถร่วงรู้ได้ไปปักกดอยู่บริเวณเจดีเก่าเจดีลางนั้นได้เห็นวิญญาณที่กัน้องนี้มาร้องไห้อยู่ทุกวันจึงได้ไต่ถามว่าทําไมจึงมามีความทุกข์ยา ก, กตกเศร้าเสียใจยอย่างนี้ทั้งพี่ต่างๆ้องก็เลยเล่าให้หลวงปู่ม่านฟังว่ามีความเสียใจยมากตั้งใจจะสร้างเจดีบูชาพระพุทธศาสนาแต่สร้างไม่เสร็จ มาถึงแต่ความตายซะก่อนทังพี่ทังน้องหลวงปู่ม่านเลยถามว่าบุญเนี่ยมันติดอยู่ที่จิตหรือว่าบุญมันอยู่ที่ใจถ้าบุญเนี่ยมันอยู่ที่จิตเนี่ยบุญมันอยู่ที่จิตหรือบุญมันอยู่ที่ใจถ้าบุญมันอยู่ที่ก้อนจิตที่สร้างเจดีเนี่ยบุญนั้นก็ยังไม่เสร็จแต่ถ้าบุญอยู่ที่ใจเนี่ยมันเสร็จแล้วตั้งแต่ตั้งใจที่จะสร้างแต่ถ้าบุญเนี่ยมันอยู่ที่ก้อนจิตเนี่ย ยังไม่เสร็จบุญนั้นยังไม่เสร็จเพราะว่ามันยังสร้างไม่เสร็จบุญเนี่ยมันอยู่ที่ใจใจเป็นสุขหรือว่าอิมันเป็นสุขทางพี้ดน้องเนี่ยได้คิดสะกิจใจขึ้นมาอา้าวก็เราได้บุญมาทั่วทั้วนแล้วนี่ใจเป็นบุญตั้งแต่สร้างเจดีย์เพราะว่าเราตั้งใจสร้างเจดีย์ให้เสร็จ ขายบ้างตั้งใจสร้างเจดีย์เพื่อครึ่งเดียวก็ไม่มีก็ตั้งใจเวลาตั้งใจก็ตั้งใจสร้างให้เสร็จมันก็เป็นบุญทันทีบุญนั้นเสร็จตั้งแต่ตั้งใจสร้างเจดีย์เสร็จแล้วพอพี่น้องคิดได้อย่างนั้นนัแนะความเข้าใจผิดหายเบียกใจโดยสิ้นเชิงนึกถึงบุญที่ตัวเองได้ตั้งใจสร้างเจดีย์บูชาผู้ศาสนาบุญมันก็มาสวมปุ๊บทันทีเลยตายจาะพบชาติที่เป็นผีนั้น เจ้าเจดีนั้นเดิมหน้าแห่งบุญที่สร้างเจดีนั้นเข้ามาสวมแทนความเข้าใจผิดเป็นบุญทันตีได้ไปเกิดใหม่ที่สวรรค์มีเครื่องทรงงดงามเดิมหนาาแห่งบุญที่ตัวเองได้สร้างพระเจดีสวัสดิ์พุทธบูชาพุทธศาสนามีลักมีสว่างสวายเจิดจ้าทั้งพี่ทั้ ง, งน้องก็เหาะลงมาจากสวรรค์มากราบขอบคุณหลวงปู่มั่น กลับมาใหม่งดงามของแพ่อ ท, ทั้งพี่ทั้งน้องรัตน์ีสว่างสวา่าเจิดจ้าด้วยอำนาจแห่งบุญที่สร้างเจดีย์บูชาพูชาศาสนาขอบคุณหลวงปู่มัน่นว่าที่เมตตาที่แนะปัญญาให้เกิดปัญญาจากการที่เข้าใจผิดมาเป็นเข้าใจถูกนี่ท่านจะเห็นว่าถ้าเข้าใจผิดแม้แต่ท่านสร้างทานบา ร, รมีสร้างทานแต่กลับได้บาปเพราะความเข้าใจผิด การทำทานแล้วก็เข้าใจผิดก็ถือเป็นโทษเลยดูทิแทนจะได้บุญกลับเป็นโทษติดอยู่ตรงนั้นผู้ที่เอาเงินทองของตัวเองไปสร้างวัดวารามสร้างโบสร้างวิหารสร้างเจดีย์พอสร้างเสร็จแล้วก็ยึดติดอยู่ที่นั้นว่าของกูนี่กูสร้างของกูของกูเขาจึงห้ามคนคนเดียวสร้างเจดีย์ทั้งหลังหรือห้ามสร้างโบสร้างวิหารสร้างวัดได้คนคนเดียวเพราะว่า เงินของตัวเองคนเดียวไปสร้างไว้มันก็ติดว่าของครูของครูของครูพอตายแล้วมันเลยไม่ไปไหนเลยเพราะมันไปยึดติดที่ตรงนั้นว่าวัดของครูเจดีย์ของครูวิหารมีของครูโบสถ์ของครูมันใจก็ชื่นชอบไปมองอยู่เรื่อยๆบอกของครูของครูพอตายแล้วติดอยู่ตรงนั้นเลยไปเป็นวิญญาณเป็นผีเฝ้าอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหน เมื่อไปนอนเล่นในโบสถก็เดินข้ามหัวไปเดินข้ามหัวมาจึงรู้ว่าอ้าวนี่เป็นเจ้าของโบสถนี่คนที่สร้างโบสไว้ไม่ไปเกิดที่ไหนเลยอยู่ตรงนี้เองมาเป็นผีเฝ้าโบสไว้แทนที่จะเสวยผลบุญได้ไปเกิดบนสวรรค์ที่มีรัศมีงามงดงามสว่างสวยเป็นผีเฝ้าโบสถ์อยู่นั่นเองเพราะติดนี่มีพระอิศสง์องหนึ่งท่านก็ให้เอาแป้งแป้งที่ท่านเสกอเอาไปโรยโรยหลังหมาไว้หลังหมาขี่เรือน แล้วท่านก็บอกว่าหมาขี้เลือนตัวนี้มันเป็นเจ้าของวัดนี้หมาขี้เลือนตัวนี้นะเป็นเจ้าของวัดนี้มันสร้างวัดนี้มาถวายท่านแต่เมื่อสร้างวัดนี้มาถวายท่านแล้วแทนที่ใจจะได้บุญวัดนี้ของปู่คนที่มาวัดเข้าห้องน้ำสกกระโปทิ้งเศษขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ตามด่าตามว่าเขาตลอดเวลาว่าวัดของกูวัดของกูวัดของกูพอตายแล้วก็ไปเกิดเป็นหมาที่เลื้ยนในวัดเหตุที่เกิดเป็นที่เลื้ยนหมาที่เลื้ยนด้วยก็เพราะว่าไปตามด่าตามว่าพวกที่มาปฏิบัติธรรมที่มาทำบุญในทานกับพระอริยสงฆ์ที่วัดนั้นเลยกลายเป็นบาทกรรมติดตัวอีกนี่เพราะความเข้าใจผิดเป็นโทษมหัน นี่ทำทานบารมียิ่งใหญ่มากเลยสร้างวัดทั้งวัดถ้จะได้บุญกลับได้บาปติดตัวกรณีอย่างนี้มีเยอะมากที่คนในโลกนี้เข้าใจผิดอย่างนี้ผมอยู่กับครูบาอาจารย์กำลังฟังธรรมาสนาธรรมกันพวกที่เอาของมาถวายก็พยายามที่จะถวายกับมือท่านท่านก็บอกว่าไม่ต้องหรอกตั้งใจมาจากบ้าน ก็บุญได้เต็มร้อยแล้วตั้งแต่ตั้งใจไม่ได้ต้องให้ถวายกับมือท่านก็ไม่ว่างเพราะกาลังสนทนาธรรมกันอยู่ก็จะแซกเข้ไปว่าต้องถวายกับมือเท่านั้นถ้านก็บอกว่าไม่ต้องหรอกเพราะว่าหลังจากฉันแล้วเนี่ยพระป่าเนี่ยรับของถวายที่เป็นอาหารไม่ได้เพราะว่าถ้ารับของที่ถวายที่เป็นอาหารเนี่ย จะต้องจําหน่ายออกไปให้หมดภายในวันนั้นมิฉะนั้นจะผิดทวิไนไนท่านก็นจะไม่รับประเขนให้ไปเข้าโรงครัวไว้เดี๋ยวทางแม่ครัวเขาก็จะจัดการทํามาวันวันลุ้งขึ้นก็ไม่ได้จะถวายจะถวายท่านก็บอกไม่ต้องไปถวายไปไว้ที่โรงครัวนั่นเลยไปเครื่องโรงครัวนั่นก็ได้บุญแล้วแต่ผู้ที่เอามาถวายไม่เกิดความไม่พอใจแทนที่ จะได้บุญกลับได้บาปเพราะความไม่พอใจพระอริยสงฆ์ไปไม่พอใจพระอริยสงฆ์ยิ่งเป็นบาปหนักเข้าไปอีกแถมไปตําหนิจิตเตียนท่านอีกไปว่าท่านในใจยิ่งเป็นบาปหนักเข้าไปอีกตั้งใจมาทําบุญกลับได้บาปนี่เพราะความไม่เข้าใจต้องถวายกับมือเท่านั้นต้องถวายกับมือเท่านั้นนี่ในหมู่ผู้ปฏิบัติเราก็ยังเข้าใจผิดแบบนี้นะบุญนี้เกิดจับใจ ใจเป็นบุญตั้งแต่ตั้งใจจะเอาไปถวายท่านเป็นบุญทันทีเมื่อถวายแล้วอย่าติดในสิ่งที่ถวายนั้นท่านจะใช้ไม่ใช้ก็อย่าไปติดเพราะถวายท่านแล้วมันได้บุญเต็มที่แล้วบางทีพอถวายท่านกับมือท่านรับถวายแล้วท่านก็ให้แก่ท่านอื่นไปโอ้โหแค่นี้เนี่ยจิตตกเศร้าหมองเลยความจริงได้บุญเต็มที่แล้วแต่ความไม่เข้าใจ ไปติดอยู่ที่ของพอท่านให้ของนั้นแก่คนอื่นไปซึ่งเป็นทานก็เสียใจกลายเป็นบาปเสียแทนนี่เพราะความไม่เข้าใจไปติดอยู่ที่ของว่าของนั้นเป็นบุญแต่ไม่ใช่ใจเป็นบุญตรงนี้ท่านต้องเข้าใจให้ดีและบุญบา ร, รมีที่เกิดจากทานนี้จะต้องทำความเข้าใจให้ดีพพุทธเจ้าตรัสว่าทานบา ร, รมีนั้น ที่ท่านทำกับผู้รับทานนั้นมีผลแตกต่างกันคือเกิดจับตัวท่านเองสามประการคือว่าทรัพย์สิ่งของที่จะเอามาถวายทานนั้นที่จะเอามาให้ทานนั้นต้องเป็นสิ่งที่ได้มานั่นได้ความบริสุทธิ์ต้องเป็นของที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าเอาของที่รักเข้ามาแล้วเอาไปถวายทานอย่างนี้เป็นของที่ไม่บริสุทธิ์ ขนาดทำมีเจตนาดีมีเจตนาที่บริสุทธิ์มีเจตนาที่บริสุทธิ์จริงๆมีความตั้งใจจริงๆที่จะสวายทานนั้นไม่ใช่ว่าเพียงแค่เข้าซองมาให้เสี ย, ยไม่ได้ควักเหงินใส่ซองไปไปไปลำคานจริงๆเลยอย่างนี้เจตนาของท่านไม่บริสุทธิ์ท่านใส่ซองไปท่อนก็ไม่ได้บุญอะไรเพราะท่านทำเพาราะตัดว่านลาคานดังนั้นต้องเข้าใจ หนึ่งทรัพยที่ได้มาต้องบริสุทธิ์สองเจตนาธรรมนั้นต้องเจตนาดีเจตนาบริบบิสุทธิ์สามทั้งก่อนทำขณะทำหลังทำจิตใจไม่เศร้าหมองใจไม่เศร้าหมองจิตไม่ตกไม่ใช่ทําในฉันท่านไปรับประเกคนจิตหล่นหวกไปถิงตะตุ่มด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจจิตไม่เข้าใจนะนี่จากที่ผู้ให้ต้องสามประการจึงจะได้บุญกุศล จากผู้รับนั้นก็มีอานิสงส์มีผลบุญแตกต่างกันท่านกล่าวว่าให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานหนึ่งร้อยครั้งไม่เท่ากับให้ทานกับมนุษย์ที่ทุศิลไม่มีศิลปหนึ่งครั้งให้ทานแก่มนุษย์ที่ไม่มีศิลป์หนึ่งร้อยครั้งไม่เท่ากับให้ทานกับมนุษย์ที่มีศิลปหนึ่งครั้งให้ทานกับมนุษย์ ที่มีศีลหนึ่งร้อยครั้งไม่เท่ากับให้ทานแก่ผู้ที่ปฏิบัติที่เป็นคารวาสหรือพระที่ปฏิบตัติจ้าสมเร็จโสดาบันหนึ่งครั้งให้ทานกับระโสดาบันหนึ่งร้อยครั้งไม่เท่ากับให้ทานกับพระสกิรสาคามีหนึ่งครั้งให้ทานกับพระสกิรสาคามีหนึ่งร้อยครั้งไม่เท่ากับให้ทานแก่คารวาส หรือพระที่ปฏิบัติได้สําเร็จอนาคาามีหนึ่งครั้งให้ทานแก่ผู้ที่สําเร็จอนาคาามีหนึ่งร้อยครั้งไม่เท่ากับให้ทานแก่คารวาสหรือพระที่ปฏิบัติจนสําเร็จพระหลานหนึ่งครั้งถวายทานกับพระอาหารหันต์หนึ่งร้อยครั้งไม่เท่ากับถวายกับพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายกับพระพุทธเจ้าหนึ่งร้อยครั้ง ไม่เท่ากับถวายสังฆทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานหนึ่งครั้งร้อยคูุ่นร้อยครุ่นร้อยถวายกับพระพุทธเจ้าถวายทานสังฆทานที่พรุทธเจ้าหนึ่งร้อยครั้งไม่เท่ากับสร้างทำ ส, งสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์เป็นของที่ประโยชน์ใช้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นวัดว า, ารามโรงพยาบาโลโรงเรียนถนนหนทางหนึ่งครั้ง นั้นสร้างโรงเรียนสร้างของที่เป็นสารณประโยชน์กลับเป็นบุญใหญ่แต่ท่านกล่าวว่าทั้งหมดที่กล่าวมาตัวนี้ไม่เท่าให้ธรรมะเป็นฐานการให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทานใดๆทั้งมวลการให้ธรรมะเป็นทานคือให้ปัญญาแก่ผู้อื่น ให้เขาคิดเป็นให้เขาเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักธรรมสอนไม่ว่าท่านจะทิมหนังสือแจกทำซีดีธรรมะแจกทาเทสแจกสอนธรรมชี้ธรรมช่วยแนะนำผู้อื่นพาเข้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างท่านอธิบดีพาท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้เป็นการสร้าง มหาบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่เป็นการสร้างบุญกุศลเป็นมหาลานิสงใหญ่และบุญบรารมี น, นี้นำไประลึกถึงพระพุทธธรรมสงฆ์คุณบิดารมดากุบาอาจารย์บุญกุศลที่ท่านทำในครั้งนี้ท่านปรารถนาปิ่งใดในการที่ชอบมันก็จะขอให้เกิดสมฤทธิผลความปรารถนาที่ควรจะปรารถนานั่นคือนิพพานะนิพพานนั่นเองจ่าเรียงระยางว่ า, า, วานิพพานะก็ะคือนิพพานะ นิพพานะปัจเจโยโหตุจงเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผนิพพานในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยเถอดนี่เป็นบุญใหญ่เพราะการให้ธรรมะเป็นทานเป็นบุญใหญ่เป็นมหาปรานีสงใหญ่กว่าการที่ให้ทานในแต่ทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมดแต่แม้ขนาดนั้นทานที่ให้มาทั้งหมดนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นท่านกล่าวสุดท้ายว่าในหมวดของทานว่า ทั้งหมดนั้นไม่เท่าให้อภัยทานการให้อภัยทานนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในหมวดทานทั้งหมดสูงที่สุดคือการให้อภัยทานการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทานใดๆทั้งหมดแต่ในหมวดทานนั้นท่านกล่าวว่าการให้อภัยทานประสุดสูงกว่าการให้ทานใดๆทั้งหมด เพราะการให้อภัยทานนั้นเข้าถึงจิตใจเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจดังนั้นผู้ที่ให้อภัยทานจนหมดสิน้นไม่มีสิ่งใดค้างขาดใจอีกแล้วผู้ใดที่เคยทําไว้ให้เกิดความที่ต้องเกรียดแค้นสิงฉังกดเครืองขับแคนใจสิ่งใดให้อภัยยทานเสียหมดสิน้นเป็นสิ่งที่ทําได้ยากกว่าการให้ทานอย่างใดๆทั้งหมด เพราะคนทั้งหลายถ้าให้อภัยทานได้ตลอดเวลาให้อภัยแก่ผู้อื่นให้อภัยแก่สับอื่นให้อภัยทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่ถือโทษโกรธแค้นประเสริฐสุดเข้าถึงจิตใหญ่การให้อภัยทานทำได้ยากคนทั้งหลายประทบกระทั่งนิดจิตหน่อยๆก็ทนไม่ไหวขับแค้นใจเครียดแค้นชิงชังไม่ให้อภัย ถือสาแค้นเคืองโกรธเคืองขับแค้นใจแล้วก็ค้างคาอยู่ในใจดังนั้นการให้อภัยทานจึงยากทายากกว่าการให้ทานในใดทั้งมวลจึงมีอานิสงส์สูงที่สุดในหมวดทานทั้งหมดนี่คือหมวดทานเวลาท่านทั้งหลายทาทานถวายทานก็จงนั่ถึงคาสอนนี้ ถวายให้ถูกต้องตั้งใจให้ถูกต้องบุญนั้นเกิดประการที่ตั้งใจแล้วไม่จะสําเร็จว่าตอนลงมือกระทําบุญนั้นสําเร็จตั้งแต่ตั้งใจไม่ใช่ตอนลงมือกระทําจึงจําตรงนี้ไว้ตั้งใจให้ดีเป็นบุญตั้งใจให้ดีก็เป็นบุญแล้วนะที่ในหมวดของทานพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าทานบารมีทั้งหมดที่สร้างมาทั้งหมดที่ว่ายิ่งใหญ่นั้น บุญกุศลไม่เท่ากับการรักษาศีลรักษาศีลได้ครบช่วนบริบูรณ์ศีลห้านั้นตั้งแต่ศีลห้าเป็นต้นไปนั้นได้บุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการสร้างทานบา ร, รมีที่เก่ามาทั้งหมดนี่ทานศีลเก่าและเหลือบุญบา ร, รมีที่เหนือกว่าการให้ทานรักษาศีลคือสิ่งที่ท่านได้มาปฏิบัติทำนี่เอง เขาเรียกว่าภาวนาการมาปฏิบัติธรรมนี้เรียกว่าการมาเจริญภาวนาการที่ท่านทั้งหลายมาภาวนานี่มาปฏิบัติธรรมนี้เข้ากับท่านสร้างบุญกุศลนั้นสุดยอดเลยเหนือกว่าการให้ทานเหนือกว่าการรักษาศีลเพราะท่านมาปฏิบัติธรรมนี้เป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่เป็นมหาสลาริสงวนยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานกว่าการรักษาศีล ทั้งหมดที่เรียกว่ามีบุญบา ร, รมีใหญ่ก็ตามไม่เท่ามาปฏิบัติธรรมเพราะพรุทธองค์ตัดว่าท่านมาปฏิบัติธรรมนี้แค่จิตสงบลงแค่แวบเดียวเท่ากับงูตวัดลิ้นช้างตาดัดขูดแวบเดียวแค่นั้นเองไม่ต้องมากมายา น, นิสงมหาพราณิสงยิ่งใหญ่กว่าการสร้างเกดี บูชาพระพุทธศาสนาด้วยทองคำด้วยตัวของท่านเองคนเดียวจนยอดเจดีย์นั้นสูงถึงสวรรค์จันดาวดึงอา น, นิสงส์ไม่เท่ากับท่านมาปฏิบัติภาวนานี้แค่จิตสงบลงแค่หูจัตหวัดดินจางอดีกโนี่เป็นคําตัดจากพระโอษฐของพรุทธองค์ทะนั้นจักกล่าวว่าบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยทาบารมีก็ยิ่งใหญ่ศีลบารมีก็ยิ่งใหญ่ทำกับพระหลานท่านพุทธเจ้าเป็นหูบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ รูโตมิตัดว่าที่สุดแล้วไม่เท่ากับมาปฏิบัติแก้จิตสงบลงแก้หูตวัดสินเจาอดีตขูเนี่แต่การปฏิบัติจิตสงบลงแก้หูตวัดสินเจ้าอดีตขู่เป็นการปฏิบัติในขั้นของสมาธิใจเป็นสมาธิที่สุดตังกล่าวว่าแม้แต่สร้างบารมีมานานกี่พบกี่ชาติรับสาวสินมากี่พบกี่ชาติ นั่งสมาธิจนจิตสงบมากี่พบกี่ชาตินานปานใดก็ตามไม่เท่ามีปัญญารู้แจ้งแทงทะลุในร่างกายจิตใ จ, จของตนเองขณะจิตที่มีปัญญาแทงทะลุเข้าใจในร่างกายจิตใ จ, จของตัวเองไปเรื่อยๆจนใจนั้นแป๊บหนึง่งไม่เข้าไปเกาะเกี่ยววัพันยึดติดกิรถือสิ่งใดในร่างกายจิตใ จ, จของตัวเอง มีอริสงสูงกว่าท่านทําสมาธิจิตสงบมานานไม่รู้กี่ชาติตกี่ชาติไม่เท่ากับมีปัญญารู้แจง้งรู้เห็นความเข้าใจในจิตใจของตนเองที่ท่านมาปฏิบัติเมื่อคืนนี้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ดูรู้เห็นอาการของกายอาการของใจดูรู้เห็นความรู้สึกนึกิดอารมณ์ดูรู้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของตนจนกระทั่งอาการทั้งหมดความรู้สึกนึกิดอารมณ์ทั้งหมดความกับเพื่อนทั้งหมดใน ใ, นใจของท่าน ไม่สามารถทําอะไรใจที่วางเปล่าได้เลยนั่นแหละเป็นสูงสุดยอดของบุญบา ร, รมีอันยิ่งใหญ่นี้บุญบา ร, รมีทั้งหมดก็เรียงลําดับมาจนถึงขั้นที่สุดแบบนี้พยายามมันเพียนปฏิบัติก็นะไม่ใช่เฉพาะว่ามานั่งรับตาที่นี่พอผมไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติอันนี้ก็เรียกว่าท่านไม่ได้สร้างบุญบา ร, รมีต่อ เอมี อ, อย่างหนึ่งที่จะต้องรับรู้ไว้คือว่าท่านสร้างบุญบา ร, รมีมาทุกประการก็รตามแต่ท่านอย่าพยายามถอนบุญตัวเองอยู่อยู่เรื่อยการที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมในสมาธิในส ต, ติในปัญญานี่ก็เรียกว่ามาปฏิบัติในขั้นที่สูงที่สุดแนละ้วของบุญบา ร, รมีในทุกประการ มากกว่าการผวายทานแดบฝ้าอาลายหรือบุทธเจ้าด้วยตนเองไม่เท่ากับมาปฏิบัติมีสติปัญญารู้แจ้งในร่างกายจิตใจของตนเองสะทิ้งการยึดจิตถือในกายในใจตนเองเหลือแต่รู้สึกแต่ว่ารับรู้และปล่อยวางไปสุกให้จบที่รู้อยู่ที่รู้เลยไปไม่ตามใจอันนี้ถือว่าท่านมาปฏิบัตินี่มีบุญบารมีหลายมีบุญบารมีหลายมากๆ เพราะว่าบุญบรารมีประการอื่นไม่เท่าอันนี้เลยถือว่าเป็นผู้ที่เลือกบุญบรารมีที่ฉลาดที่สุด